ฝันดีก็ได้ฝันร้ายก็ได้ฝันไม่ดีก็ได้อะไรทำให้ใจเราฝันดีฝันไม่ดีฝันร้ายพระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าใจที่ฝันร้ายนั้นเกิดจากใจที่ไปทำบาปมาเพราะเวลาไปทำบาปมาก็เหมือนกับการไปบันทึกภาพไปบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับเรามีกล้องถ่ายรูปในเครื่องมือถือ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 ทำร้ายทำลายกันเหตุการณ์ต่างๆที่เรากระทากันในขณะที่เราตื่นนี้ถูกบันทึกไว้หมดในใจของพวกเราและเวลาที่เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ความคิดใจเราเลยใช้สิ่งที่เรา ไ, ได้บันทึกไว้มาเป็นสิ่งที่มาแสดงให้ใจเราเห็นก็เหมือนกับเราเปิด เครื่องมือถือที่เราได้ไปถ่ายภาพถ่ายอะไรไว้แล้วก็มาเปิดดูย้อนหลังฉันใดเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เปลี่ยนกระทาไว้เพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากการจากการกระทาของเราเป็นการถูกกระทาไปเราไปทำอะไรใครเขา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 ฝันว่าเขามาทำลายเรามาทำลายเรามาสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเรานี่แหละคือที่มาของความฝันดีหรือฝันร้ายเกิดจากการทำดีหรือทำไม่ดีของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั่นเองในขณะที่เราตื่นในขณะที่เราไม่ได้นอน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 กิจกรรมต่างๆที่เราทำในแต่ละวันนี้ก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในใจของพวกเราแล้วเวลาที่เรานอนหลับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะโผล่ขึ้นมาในฝันของของพวกเรานี่คือผลของการทำบุญหรือทำบาปหรือการกระทำที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปมันจะออกมาในรูปแบบของความฝัน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 ช่วงนั้นเรามีแต่ดวงวิญญาณที่จะฝันดีหรือฝันร้ายขึ้นอยู่กับอำนาจของบุญหรือของบาปที่เราได้ทำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เองช่วงนั้นน่ะคือเป็นช่วงที่เราจะไปสวรรค์หรือไปอบายกันสวรรค์ก็คือฝันดีฝันแต่เรื่องที่ทำให้เรามีแต่ความสุขมีแต่ความ สดชื่นมีความดีใจเพราะมีแต่เรื่องดีๆให้เราได้รับรู้ช่วงนั้นก็เป็นอิทธิพลของบุญที่เราทําไว้เพราะเราได้บันทึกเราได้กระทําบุญไว้เยอะเราได้บันทึกภาพของการทําบุญไว้เยอะนั่นเองภาพของการบันทึกภาพที่เราได้บันทึกของการทําบุญมันก็จะปรากฏมาให้เราเห็นในขณะที่ เราไม่มีร่างกายหรือไม่ได้ใช้ร่างกายถ้าเราไปทำบาปเพื่อมากเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็จะฝันแต่ฝันร้ายมีแต่แต่เรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆโผล่ขึ้นมาให้เรารับรู้นช่วงนั้นเราก็จะเรียกว่าเราอยู่ในอบายอยู่ในสภาพของเปรตหรือสภาพของอสุรกายหรือสภาพของ นรกสภาพของนรกก็มีแต่ความร้อนความรุ่มร้อนเหมือนไฟเผาจิตใจด้วยความโกรธเกลียดเครียดแคนอาฆาตพยาบาทถ้าเป็นเรื่องของอสุจรกายก็เป็นเรื่องของหวาดความหวาดกลัวต่างๆการที่ไปพบกับภัยอะไรต่างๆที่ทําให้เกิดความหวาดกลัวเช่นเจอสิงสาลาสัตว์เจอบุคคลที่โหดร้ายทารุณ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 ถ้าเราทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปว่าบาปทำแล้วมีโทษตามมาเราก็จะไปได้ร่างกายของเดรัจฉานก็จะไปเกิดเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของผลของการทำบาปหลังจากที่เราตายไปแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว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 บางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยบางคนก็เรียนได้สูงบางคนก็เรียนไม่ได้สูงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอ น, นิสง์ผลของบุญของบาปของการกระทาที่เราได้ทำไว้ในชาติก่อนๆนี้เองเช่นเดียวกับการกระทำของเราในชาตินี้มันก็จะส่งผลให้เราได้ไปเป็นอะไรที่ต่างจากที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ ถ้าเราทําบาปชาติหน้ากลับมาเราจะแย่กว่าเก่าเลวกว่าเก่าถ้าเราทําบุญชาติหน้าเรากลับมาเราก็จะดีกว่าเก่านี่คือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธมีความศรัทธามีความเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบการตัดสิรู้นี่ก็แปลว่าการได้ค้นพบ เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของพวกเรารเกี่ยวข้องกับจิตใจของพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์เองทรงได้ค้นพบเรื่องราวต่างๆว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมจึงได้เป็นอย่างนั้นถึงได้เป็นอย่างนี้ทำไมถึงต้องมาเกิดต้องมาแก่มาเจ็บมาตายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบว่าการที่เรายังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บ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 เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราก็ไม่ต้องไปซื้อมือถือเครื่องใหม่กลายเป็นพาล่าซะอีกมีมือถือต้องคอยรักษาต้องคอยชาร์จแบตเวลาซ่อมเวลาเสียก็ต้องเอาไปซ่อมถ้าเราไม่ต้องใช้มือถือก็ไม่ต้องมีมือถือก็ได้ไม่ต้องไปซื้อมือถือก็ได้แตในร่างกายของเรานี้ก็เป็นเหมือนมือถือที่ใจของเราใช้เป็นเครื่องมือในการ ตอบสนองความต้องการความอยากต่างๆใจของพวกเราทุกคนอยากได้ราบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกริ่นกายกันเราจึงต้องมีร่างกายแล้วพอมีร่างกายแล้วเราก็ต้องพยายามรักษาร่างกายนี้ให้อยู่ไปให้ได้นานที่สุดให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย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 ประเทศแอฟริกาคนนี่พร้อมมีแต่หนังหุ้มกระดูกเนี่ยนี่ก็คือโทษนอภัยของการที่มาเกิดถ้ามาเกิดอยู่ในยุคที่อดอยากเข้าเข้อยากมากแพงของแพงของหายาก mm hmm. ก็จะอยู่กันแบบทรมานกันหรือไปอยู่ในประเทศที่กำลังมีสงครามกลางเมืองกันมีการเข่นข่าฟันกัน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 ภัยจากน้ําท่วมภัยตอนนี้ก็มีภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ใช่ไหเนี่หยุดเจ็วันนี้เขาว่าต้องมีคนตายอย่างน้อยเป็นพันขึ้นไปแล้วอันนี้ก็เป็นภัยที่เกิดจากการมาเกิดกันงานมีมามีร่างกายกันเวลาเราเดินทางนี้เราไม่มั่นใจกันใช่ไหมว่าจะไปถึงไปตลอดลอดฝั่งหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะไปจอดที่ไหนกลางทาง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 บางทีไม่รู้เสียได้ซ้ำไปว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่คนที่มีความรู้ทางโลกมากๆทางวิทยาศาสตร์นี่กลับไม่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเสียได้ซ้าไปคิดว่าตายมาแล้วเกิดเกิดมาแล้วตายไปก็จบงั้นไม่มีความจาเป็นจะต้องทำบุญทำบาปให้เสียเวลาสู้มาหาลาบยศฉลเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกดินกายกันดีกว่าในขณะที่ยังหาได้ พอต่อไปเวลาร่างกายตายไปหรือแก่เจ็บเลือแก่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่สามารถหาได้เ น, นี่ยพวกนี้ยิ่งยิ่งฉลาดกับยิ่งโง่เพราะคิดว่าอชีวิตของเรามีอยู่ที่ร่างกายนี้เพียงส่วนเดียวพอร่างกายตายไปแล้วก็จบเหตุนี้ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ต้องรีบใช้มันให้หาความสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้นี่ก็เคย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 เหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อเนี่ยมันชิ้นเล็กๆ ก, กินเข้าไปก็มีความอริดอร่อยเพียงนิดเดียวแต่พอไปถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากนี่มันจะเจ็บไปตลอดถึงตะวันตายพอปลาที่ไปฮุบเหยื่อนี่มันก็ย่ต้องถูกเขาลากขึ้นจากน้ำแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อกแกงต่อไปฉันใดพวกเราที่หาความสุขจากร่างกาย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 ด้วยการละ ง, งับการใช้ร่างกายชั่วข่าวในการหาความสุขก็คือไปบวชกันบวชสั้นบวชยาวก็ได้ตอนต้นก็อาจจะลองบวชสั้นดูก่อนทดลองดูก่อนบวชสักสมวันช่วงนี้หยุด5้าวันก็ไปบวชชั่วข่าวได้บวช ด, ด้วยการถือศีล8นี่กถ็ถือว่าได้บวชแล้วยุติการใช้ร่างกายหาความสุขต่าง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 ภราสุยาธาสพิตโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตะวันตระโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนสีลิธานิจังอุทตาปจายิโนยตารโอธรรมาวทานติอายุวโนสุขัง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 พิธีกร อ, อ่านคำถามให้แต่ขอความกรุณาให้ถามในช่วงนี้ถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันวันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กสามร้อยี่สิบกคนยู u t u เก้าสิบหกคนวิทยุออนไลน์ยี่สิบคนผู้รับฟังบนเขาน่าสองร้อยสามสิบหกคนรวมทั้งหมดหกร้อยเจ็สิบแปดคนครับอาจารย์อ่าดู ก็มีการถ่ายทอดมีคนติดตามทุกวันอย่างน้อยก็ประมาณห้าร้อยขึ้นไปทางบ้านอยู่ตั้งอยู่ี่สิบอยู่ี่สิบกว่าประเทศเดี๋ยวนี้ที่ติดตามแล้วก็จังหวัดก็หกสิบกว่าจังหวัดด้วยกันเดีย๋ยวนี้เรามีสื่อที่สามารถติดต่อกันได้อย่างกว้างขวางถ้ามาไม่ได้ก็ยังติดตามได้มีการถ่ายทอดสดทุกวันบ่ายสองโมงถึงประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบห้า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 โดยไม่รักษาจิตใจกันเลยเราควรทําอย่างไรดีคะเราก็คิดว่าเขาเป็นเด็กไงเห็นไหมเวลาเราเลี้ยงเด็กเนี่ยเวลามันโมโหมันก็ด่าเราได้เลียเ้ยงลูกนี่บางทีเลี้ยงแล้วไปขัดใจเขาเขาก็เลยโมโหเขาก็ไม่มีสติที่จะยับยัง้งแต่เราไม่โกรธลูกใช่ไหมไม่ถือสาหรือเด็กทารกเนี่ยทำอะไรผิดเราก็ไม่ไปโกรธเขาเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กเด็กไรยเดียงสาคนที่ทําอะไรด้วยความโกรธก็เป็นเหมือนเด็กที่ไร้เดียงสา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 การถือศีลแปดจะทานอาหารเช้าได้หลังจากเห็นลายมือหรือเปล่าคะตามหลักของพระพุทธศาสนานี้เราจะนับวันใหม่ตอนที่เราเห็นลายมือแล้วต้องเป็นแสงจากพระอาทิตย์นะอย่าไปเป็นแสงจากไฟฟ้าถ้าแสงจากไฟฟ้านี่ตีหนึ่งก็เห็นลายมือ <laughs> <c oughs> คำถามจากคุณวรวุรุกลบนมัสการพระอาจารย์ครับ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 ถ้าาไมม่่เกกิดดันจะีวคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะคุณ อ, อัมพรจากเยอรมันจ้าเจ้าคะตอนนี้โยมผ่าตัดเท้าพักป่วยหอาทิตย์มีคำแนะนำสำหรับการภาวนาในช่วงนี้ไหมคะธรรมดายอมทำงานก็จะดูจิตมีเวลาก็ทำในรูปแบบนะคะก็ทำต่อไปพยายามฝึกสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิด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 ดังนั้นถ้าเราจะมองในแง่ดีการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันกับดีสําหรับการปฏิบัติถ้าไม่เจ็บจนถึงขั้นปฏิบัติไม่ได้นะถ้าเจ็บแล้วสามารถที่ยังปฏิบัติได้ก็จะทําให้เรามีเวลาได้ปฏิบัติกันเพราะไม่เช่นั้นถ้าเราสบายเราก็จะไปทํางานกันพอไปทํางานมันก็ต้องใช้ความคิดมันก็จะไม่สงบดังั้นตอนนี้เราอยู่บ้านไม่ต้องไปทํางานเวลาจะคิดก็หยุดมันแล้วใจจะสงบแล้วจะมีความสุข